เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ทานับถือพุทธศาสนามาแล้วจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจําไม่จะไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูกแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกแปลกหูกแปลกตา เพราอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ผิดแรง ก, กับสัตว์เรจึงเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและริยาความประพฤติมารยาการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี้กอออกมาจากเคื่อศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมัญยาที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้องนึกถึเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากเพื่อศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก, ก็เกิดกับวาัาผู้ใหง่ห่างนันเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวดัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระงั้นเจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลําดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาคียามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกจิตพระลูกก็เป็นลูกพระงั้นต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกนันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุทธกิริย า, าอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมฉั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลาดับลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยไปแล้วมันก็แปลกมุกแปลกตาไปเลยก็ดึดออกมา นะคเข้ า, ขากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิบต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจะเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิบต่อของนั่งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่ทุกวันนี้มันค้าเข้าไปหมดนี่คาว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปี่ยนแปงก็เพราะอำนาจของกิเลส จะมีความอยากรู้อยากเห็นอยกเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความผิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆมหูจมูกท้องไก่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วออ ย, ออยิ่งติดยิ่งพันง่ายซึมซาบเขยิบได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจนล้วมันก็เลื้อยไปเขวีอยไป ผลทุต่าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกินไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านาเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันท่าศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดบาบันกาลยังไงแม้แต่ครั้งบุญกาศลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราอ สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันหนึ่งรบล้างความรู้สึกหรืความเห็นท่นนี้มีจํานวนมากเพาะมีอำนาจมากก็รบล้างไปโดยลําหนับศาสนาทั้งนีพระมหาสายก็ไม่มีนี่ถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่ไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่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 ถาว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพี่นายดูสิมันเพื่อใครเท่า น, นี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าสาธารธรรมมันไม่มีแล้วในโลกอนี้สัตว์โลกนั่นฟังดิไม่เรียกประชาชนก็เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแมษษ้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัย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 ความสมัคเสมอเห็นความสําคัญของ ก, การละกันยิ่งกวา่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นและทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ข้าคิดหน้าคิดภายเลยโดยมีความเมตตาปานีอะไรเล ย, เลยนี่หรือประชาชนสาคัญอย่างนี้เหลอสําคัญในทางตายเท่านั้นดีสําคัญในความร่มเย็นเป็นสุขนี่ เ, นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของทรร ใคาจะเศษสารตันยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลํำดับลาดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเปียถนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้นีงไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็ประชาชนพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาเพพ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่ ง, มม ง, ง, ท, ง, ท, งที่หนึ่งที่หนึ่ ง, ท, งทั้งนั้นตลอดตังแต่อารมณ์สั่งสอนตั้งแต่ยังอายุเลี้ยงสาขาว่าเยังสอนมาด้วยมารา ย, ยาศรด้ดยการแสดงออกทั้งอาการต่า ง, างๆเรื่อยมาโดยลํำดับธรรมดน นี่มันคัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัทขานังปุตตดาและสังกะโหพระวธรรมประถารุแลวิด า, ามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนเมื่มีความไม่เย็นเป็นสุญญายาเกิดความกระทบกระเทันใดที่เป็นการถบช้ำนาจิตใจและการสงการสงเคราะห์ภริยาบุตร ปุตราลัทสังฆโอมีความสม้อบุตรภรรญาอืมหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้อ๋อศา ส, สนามันเป็นของสําคัญแล้วเหมือนก็หมดความหมายแล้วมันไม่เเ่ากลัวจะไปเจ้าแยงเอาหางเข้ามาใส่สิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนอ้าวไปแย่งหาง ม, มันก็หวงสิไปแยงหางมเดี๋ยวมันกัดออาแล้วหาวสุนัขมันทํา กัดตัวเองก็จะได้ฆ่าสุนัขอีกนี่เลยเกิดค่าสึกขึ้นไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มนุษย์ตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีไปตุลแยกมหางเข้ามาเพราะาจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ต่ไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็กระเซดายเขาก็หง่วงๆกัดบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเก็วิ่งหนี่ตัวลมก็โกรธหรือเกลียดแค้นนะเขาตามฆ่าสุนัขเี่ นานมันจะเป็นไปอย่างนั้อเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยหลวงป่ พ, พุทธยากลึงตรงสอนสอนด้วยความนึกต่างให้ความสมุระภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทงองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตนนั้น ไม่ล่วงล้ำไ ม, ไ, มไม่กดขี่บงังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียเดเยียดไม่ทำลายหเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดหเหี้ยกุฎทุ่งนึ่งศาสนา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 จากการปฏิบัติศาสนาสุดท้าก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาและสอนคนได้มีความร่วมชมคิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาด้วยไถ่เดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใถ่ สรุปตรงแยกจิตหัวใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรรมและเป็นผู้จะได้ ร, รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแลยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสังสอนก็ได้รับความนิ่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อย ตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่พาะอย่างยิ่งการอารมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแย่แสน ง, งอนเป็นตัวคิษตัวภยัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวรอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบคือกิเลสกับลัทถิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่ัองยุยแย่ก่อกวรใหแตกให้ทำลายให้เล่วให้อะไรกันไปอย่างนี้คิดมันก็เป็นอย่างนั้น เ, เรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าคนหูนี่ริ ง, ไ ม, รงไม่กินไม่สำคัญขอให้ยุได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาปิดของเราเนี่ยเรเป็นคนหูเบาเชื่อเขาไปเรื่อยๆเดือดร้อนหูมาทลายาก็ไม่มาคํานึงไม่บวกไม่ลบลูผลที่เกิดขึ้นจากการอยู่แย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนี่ ร้อนตังเข้าไปร้อนตังค์เข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรอย่างมากก็บ่นมันก็มั่งหรือามากคนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่หญย่วบฏกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอานาจบังคับหัวงใจอ ย, อยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไร การปฏิบัติธรรมจรึงปัญญาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยอยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไร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 ก่อไฟอืเป็นเตารีดเตาถ่าย ต, ตัวเองขึ้นเตารียก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลืกปัญหาอาสวะมันเถาโรยจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อเรนะับการอบรม เข้าโดยลำดับมีจิตตภนาเป็นสาคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอานาจแห่งตัปะธรรมเป็นเครื่องแผ่เผา mm hmm. ใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติวติวนั้น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 สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจ ร, จริงๆเพราะความเพียพ่ยนพลิยญาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความต้อคการมั่นหมายหรือรูปคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสแงโดยความเสื่อสารของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นั่นก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วที่นี้เรากับโลก รากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่คะาเท้ า, ากันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สาบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบนุ่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้ า, ามหมองหม้อยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลิอนอ ย, อย่างอื่น นั่งอยู่ก็ภาวนารื่นึรงบันเทิงแต่กับอัดกับทำคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธทำเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้เพื่ออานาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสําคัญอันหนึ่งหรือเป็นจักริพยา ให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่พราะยันยิ่งจิตเป็นของสําคัญนะพยายามปักเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาก็าโดยลำํำดับลำดับเรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำํำดับลํำดับ รู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันใจก็ยิ่งมีความสาาพพง่าผ่าเผยกาหนดเข้าภ า, ายในจิตใจนี่มันสว่างโลดอยู่แบบเบากับเบาเหมือนะหว่าเบาไปทั้งทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขา ดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเรึงบันถึงบันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ควสนใจว่ามันผ่านไปเมื่ อ, อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขจัดแปลงสิ่งที่จะทำให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอีกก็ยิ่งมีความสนาดผ่าเผยองอาจก้าหาญขึ้น ตามความเปียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงละที่นี้่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยรากระว่าไปอยู่หนุอวกาศนั่นี่นี่เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกปราดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ที่ เหี่ผลเห็นเห็นประจักษ์ภานิกิปัญญาพิจนารณาคือโดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมผัสแต่าทางตาทางหูทาง จ, าจมูกทางเนื้นทางกายแก้ไขถอดถอ น, นออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับ ผมสุดท้ายก่อนแยกอูบเสียงกลิ่นลดเครื่งสัมผัสก็แยกออกแถวได้จากกันได้อูบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ได้วยปัญญาจิต ก, กิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้อ <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วก็เป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบาย นี่ศาสนาธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจทางศาสนาธรรมเนีเป็นเขณฑทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ธรรมปฏิทิศคือความสว่างสวอันมุ่ยสุขุดผ่องพนานกิจใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเป็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละยบบมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกัน ทับถมกัจนจะมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นถึงนั้นทิ้งนี่ว่าเป็นคุณค่าไว้สมมติหลงโลกหลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดใําั้ร้อนออมันมีเต็มแผ่นดินเวลาเราจะไปว่าอะไรตั้ก่อนในโรงพยาบาลสเมเด็จเจ้าพญามันเป็นบ้าในทุ่แห่งทุ่งหุนโลกมันร้อ น, นร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์นัเองมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมบวรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาด แต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิงเลสกันหาวิชาปิดมืดมิดติดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเดินเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะคา ม, มืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนฉเฉลียวฉลาดอำนาจมากอะไรมันร้อนไงหมดเนี่ยน่ากลัวดูเลยคือความรู้ความเห็น ที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเล็กกับคํามู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราเระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปสุดด้นอนๆนั้นกับเวลาเวลาที่มันดีเนี่ยดูแล้วก็น่าขายะนขยงในตัวเองนี่ อี่าพูดถึงหนึ่งบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยูตามตระหน่งทางเตียงงกมันเงินอยู่ตามสนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเ่ยและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมาย่กลความเลยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพ่งผ่านบ้าอํานาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาญอโรกมันนอนเพราะบ้าประเภทนี้ บ้ามันมองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยาก่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งทั้งติดป่าช้าก็ติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทำให้โลกมันร้อนถ้าเด็กที่จะนาความตายละ ว, วันมันสักสองหนตานั่นกันพอจะมีเบรคห้ามล้อบ้งงั้นโลกก็จะเรียนตัวเองก็จะเรีย็นบ้างนี่พวกเราพู้ ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียนเพื่อจะส่สมคุณงามความดีให้มากมูนขึ้นโดยลำหนักอ้าวหมูนพม่าลายไปตามชนิดทางเดินเห็นคำหรือท่านทงส่งสอนไว้เบรดหรือยับยัง้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระหว่างนี้ดนเนินไปด้วยความปลอดภยัย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 นั่นแหละท่านโลกเย็นเย็นตงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้ น, นสงบสุกเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพไต้องเก็บไม่ต้องเเาวก็เก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทำงานทำจบให้เราดีๆถ้าไม่มาดีไปอะไรคนตาย ทาให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขไมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไรร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วมังจะไปห่วงปลายอะไรกับกระดูกทาบผีตายอีกยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือหรืขนาดเน่าเสียไปแล้วยังไม่เห็นโทษทั้งมันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วปะไปตายจนเน่าเสียยังนนไปเห็นเแตดห่องอะไรมันอีก ห่วงตัวจิตนีที่จะไปะหากรอบพกกรวดธาตุไปหาจับจองป่าชา่าห่วงตัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตัวนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของเก อ, อาสวะอันนี้เหตุถห็นผลกับตั ว, ตวเองโดยลำดับนั่นแหละเชืว่าผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้อง็นถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่ สมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะแปลว่ารู้พอะพุทธเจ้าก็หมายถึงตัรู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกรทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่เที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิต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 จิตุเรียนรู้ทุกสิ่ทุกอย่างจิตพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็สบายหายดูแย่ก่อกวนตนหนึ่งเท่านั้นอาละเอว